<c oughs> ออวันนี้วันที่หนึ่งเมษา <c oughs> หลังจากทำบัตวายพระอาตมาได้นำเจริญพุทธมณฑเป็นกรณีพิเศษ ที่เนื่องด้วยว่าวันที่สองเมษาคุณกุยคิดถึงอำนาจของความเป็นบนุญบุญพามาเกิดวันที่สองเมษาว่างัน ฉะนั้นนะค่ำเกินวันนี้หลังจากทาวัดไหวาพาจึงพาเจริญพุทธมนต์เป็นกรณีพิเศษเพื่อให้เป็นทิฏิมงคลเป็นบุญเป็นกุศลกับคุณกุยเขาพูดจังว่าวันเกิด ไม่เะพาคุณกุยยคนเดียวนะพวกเราทั้งประสงค์องค์เดนแม่เขานางขีญาติโยมทุกคนนั่นนะที่เกิดขึ้นมาได้พบนี่ชาตินี้เป็นมนุษย์เนี่ยคำสอนของพระพุทธเจ้า เราจะรู้รู้แล้วด้วยพยานอย่างรู้พระปัญญาญาณหูทิพตาทิพรู้จากการเกิดเวียนว่ายตายเกิดของสรรพสัตว์และมวลหมู่มนุษย์ฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนว่ามนุษย์ทุกคนน่ะจะนั่งอยู่ที่นี่หรือม่ได้นั่งอยู่ที่นี่บญพามาเกิด บุญมากบุญน้อยอันนั้นให้ดูฐานะชีวิตความเป็นอยู่พวกเราทุกท่านทุกองค์ทุกคนนั่งอยู่นี่กัรล้วนแล้วแต่มีการเกิดประจำวันเดือนปีมาด้วยกันดังนั้น แต่จะเกิดวันไหนเดือนไหนปีไหนเท่านั้นเดงแต่ถึงยังไงยังไงสรุปใจควมว่าเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์บุญพาดวงจิตดวงใจของทุกคนมาเกิดถ้าจิตใจนึกถึงความเป็นบุญไม่ได้ทีเนี่ย สัต์เดรัจานทุกประเภทจะเป็นหมูเป็นหมาเป็นเป็ดเป็นไก่เป็นวัวเป็นควายเป็นช้างเป็นม้าโมดตัวแดงแมงตัวเล็กอันนั้นเขานึกถึงบุญนึกถึงความดีไม่ได้เขาจะเกิดมาเป็นรูปเป็นล่างในโลกมนุษย์ เข้าท้องอะไรยินดีกับสัตว์ประเภทไหนเข้าท้องอะไรยินดีกับสัตว์ประเภทนั้นเข้าท้องนั้นมาเกิดก็เป็นตัวประเภทนั้นประเภทนั้นประเภทนั้นไปจริงๆแล้วเรื่องเหล่าเนี้ถ้าเผื่อพวกเราไม่ได้ฟังไม่ได้วิเคราะห์ พวกเราจะเฉยเฉยเฉยไม่ได้สนใจไอความที่เฉยไม่สนใจนี่แหละหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าจังสอนว่ามัวเมาอยู่ในโมหะความหลงแล้วเกิดความปรหมาิ ประมาดในสิ่งที่ควรจะโล้ไม่สนใจประมาณในสิ่งที่เข้าใจไม่ควรจะปล่อยทิ้งเหตุผลเรื่องนั้นไม่สนใจเรื่องเห่านั้นเป็นมนุษย์คนเราเพียงแค่หาอยู่หาจินหาเล่นหาเที่ยวกลางวันกลางคืนหมดไปเส้่ไป มีอยู่ก็อยู่ไปมีจินก็จินไปแล้ววันแล้วคืนแล้วเดือนแล้วปีไม่ได้สนใจเรื่องคาว่าศีลธรรมไม่ได้สนใจคำว่าบุญกุศลตามหลักศีลธรรมพุทธธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อไม่สนใจลักษณะนี้ ดูที่ชีวิตการเกิดขึ้นมาเป็นสัตว์เดรัจฉานในน้ำบนบกมันมีมากขนาดไหนจริงๆแล้วมันมากกว่ามนุษย์นะเป็นสัตว์เดรัจฉานนะนะไอ้ส่วนที่มองไม่เห็นนี่เป็นสิ่งที่เหลวลาย หน้าสรวจสังเวศขนาดไหนสิ่งที่มองไม่เห็นดวงจิตดวงวิญญาณทนทุกทรมานรอการเกิดท่านเปียบไว้ <c oughs> ให้พวกเรานำวีคอสำหรับดวงจิตดวงวิญญาณรอการเกิดเนี่ยพวกเรามองไปท้องฟ้าอากาศเบื้องว่างอยู่เนี่ย ถ้าตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าเว่อร์ว่างมันไม่มีอะไรดวงจิตดวงวิญญาณที่คอยการเกิดแน่นยัดอัดแอร์กันอยู่เหมือนเข้าสารในกระสอบประดบพี่น้องญาติโยมพี่น้องลูกหลานอยากจะเกิดมันไม่ได้เกิดเอาวิเคราะห์ มันเป็นจริงลักษณะนั้นจริงไหมเจตใจดวงจิตดวง ว, ว, ง ว, ง ว, งวิ ญ, ญิาณนี่คอยการเกิดมันมีอยู่ทั่วไม่มีที่ว่างลองวิเคราะห์อเอาตรงไหนมันว่างจากการเกิดของสัตว์เดรัจานเอาในน้ำจะเลือกจะตื่น ในป่าในเขาจะต่ำจะสูงขนาดไหนหรือแผ่นดินราบตรงไหนมันไม่มีสัตว์วิญญาณของสัตว์ญญไปเกิดเอาถ้าเผื่อพวกเราวิเคราะห์ตามความเป็นจริงลักษณะเนี่ย พระพุทธเจ้าสอนให้พวกเรารู้ตัวตื่นตัวว่าจิตโฉมมุตสาปติลาโภการเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์ได้เป็นผู้มีโชคเป็นผู้มีลาภอย่างประเสริฐโชคลาภความดีการเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์ได้นะั่นะ พระพุทธเจ้าม่ได้นึกไม่ได้ว่าเหมือนมนุษย์ชาวโลกชาวบ้านโชคลาภมนุษย์ชาวโลกมนุษย์ชาวบ้านเน่าคนนั้นร่ำรวยยิ่งไปเถอะถูกหวยบอร์เลีรางวันเท่านั้นรางวันแ่านี้ก็มีโชคก็มีลาภจริงๆแล้วถ้า ไม่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มันจะเป็นซื้อหวยได้ยังไงที่ลอตเตอรี่ได้ยัง ไ, ตไงไต้นเหตุมือคือเกิดมาเป็นมนุษย์เสียก่อนฉะนั้นพระพุทธเจ้าต ร, ารัสจะลพูดในสิ่งที่มนุษย์ทั้งหลายเลืมนึกเลิมเจ็ ไม่ได้นำมาเิเคราเห์ให้เข้าใจความเป็นจริงมันเป็นอย่างไรในสิ่งที่ใกล้หูใกล้ตาของพวกเรานี่แหละแต่พวกเราเริ่มนึกเริ่มชิดกันมนุษย์คนเราเรื่มนึกเริ่มคชิดกันทำไมมันจึงเริ่มพระพุทธเจ้าสอนว่ากามมาคุณ มันไปเห็นบุญเห็นคุณของยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรถในเพศตรงกันข้ามมันเห็นลักษณะนั้นมีความสุขมีความสบายมีอยู่มีกินมีนั่งมีนอนนึกว่ามีความสุขมีความสบายและไปโผล่พันในลักษณะนั้นอุปทานการเยืดในลักษณะนั้น ฉะนั้นในลักษณะนั้นพระพุทธเจ้าสอน <c oughs> ไม่ให้มัวเมาประมาทที่เกิดขึ้นมามีความสุขประเภทนั้นกับเพราะบุญพามาเกิดฉะนั้นมโมหะความหลงตรงเนี้ถ้าเผื่อไม่ได้มาได้ยินได้ฟังไม่ได้มาศึกษาตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้ามนุษย์ ผู้โลกอันเนี้ยมันจะมืดมนอนรการอยู่ในแรงฤิของกิเลสโลภโกรงตัณหาฉะนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงเปิดหูเปิดตาเปิดแสงสว่างให้ดวงจิตดวงใจมวลหมู่มนุษย์สรรพะัต์ทั้งหลายได้รู้ตัวเตือนตัวเหมือนแสงสว่างในกลางคืน หลอดไฟแสงสว่างกลางวันดวงอาทิตย์มันมีความจำเป็นหูมืดตามืดจิตใจมืดบอดนี่นะถ้าเผื่อไม่มีแสงทมเป็นแสงสว่างสองดวงจิตดวงใจ ให้เจตใจเกิดความรู้เกิดความฉลาดมีตติมีปัญญารู้ที่ไปที่มาว่าบุญมีจริงบาปมีจริงนรกมีจริงสวรรค์มีจริงพบหน้าชาติหน้ามีจริงมากุลนิพพานมีจริงที่จะเชื่อมั่นว่าสิ่งเหล่านี้มีจริง ในโลกอันนี้ไม่มีใครที่จะนึกขึ้นมาได้เชื่อกันเองต้องมาได้ยินได้ฟังตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าตรงนั้นแ่กะกรย่างว่านั้นแะที่เชื่อในเหตุในผลกระดวยบุญญะบา ร, รมีความดีที่มนุษย์คนเรารวมพวกเราเข้าด้วย เกิดมาหลายพบหลายชาติได้ผ่านเรื่องศีลธรรมได้ผ่านเรื่องบุญเรื่องกุศล ม, มากลายเป็นกิตนิ้อใจเชื่อมั่นในความดีในบุญในกุศลก็เลยกลายเป็นวาสนาบารมีความดีด้านจิตใจอันนี้ก็คอยยังชั่วหน่อย แต่ก็ย่างว่าหนังบางพบบางภูมิบางพบบางชาติอาศัยอำนาจโมหะความหลงเกิดความประมาทยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสสัมผัสอารมณ์ด้วยกรรมมุนกาม ม, ค, มคุณน่นนะมันเกิดความประมาทในชีวิตมันไม่ได้สนใจเรื่องศีลเรื่องธรรมเรื่องวัดวาศาสนา บางคนกลัวจะรู้ตัวแล้วมันสายเกินแก่ติน่ะช่วงระยะยังน้อยยังหนุ่มเนน่นาสิบกว่าปียี่สิบกว่าปีสามสิบสี่สิบสุขภาพร่างกายพอเหินพอเดินพอทำจิตวิตทรทําอะไรทำบุญทำกุศลได้คล่องตัวไม่ได้สนใจละติน่ย พลวจะพอรู้ตัวนูนอายุผ่านก็ไปโครคภัยไข้เจ็บปรากฏขึ้นอายุผ่านไปจะมากจะน้อยโยครคภัยไข้เจ็บปรากฏขึ้นก็ฟังแต่โรคความเป็นโรคความมีโรคจะมากจะน้อยเป็นที่เกิดแทงความเป็นทุกข์เป็นที่เกิดแง่ดแงความเป็นกังวล เจวชาที่ปิดุกขาชาติการเกิดขึ้นมาเป็นทุกข์เชลาติที่ปิดุกขาความเท่าเจทลาค้ำค่าเป็นทุกข์พยาที่ปิดุกขาการเจ็บไข้ได้ป่วยทั้งหลายเป็นทุกข์ถ้าตรงนี้ปราเกิดปรากฏขึ้นมาในชีวิตถ้าเรื่องนี้ปรากฏขึ้นมาในรูปร่าง จะเข้ามาวัดฟังเทศฟังธรรมนั่งสมาธิจะเข้ามาวัดรักษาศีลเมตตาภาวนามันมาไม่ได้แล้วมันทำไม่ได้แล้วในลักษณะนี้ก็มากต่อมากมนุษย์คนเราที่ไม่ได้สนใจ ฉะนั้นผู้ตรงนี้ปารบเรื่องนี้ขึ้นมาอยากจะให้พวกเราน้อมเข้ามาดูพวกเราตัางหากพวกเรายังมีโอกาสยังได้มีมีเวลาได้มาศึกษามาฝึกมาปฏิบัติกำลังวังชารูปร่างกายของพวกเรา10่วัวปียี่สิบกว่าปีสามสิบสี่สิบห้าสิบ ยังพอได้มีโอกาสได้มาฟังได้มาฝึกได้มาปฏิบัติอันไหนที่พระพุทธเจ้าสอนว่าประโยชน์สุขมันเกิดขึ้นอย่างประโยชน์สุขที่เกิดขึ้นจากการรักษาศีลทาบุญทาทานพวกเราก็ได้เสียสละรมทำเพื่ออะไรไม่ใช่ทำเพื่อบุคคลอื่นนะ ทำเพื่อดวงจิตดวงใจของตัวเองที่ปราถนาสมบัติถ้าอยู่ในภพในโพคเป็นมนุษย์ก็อยู่ในฐานะของความเป็นสมบัติมนุษย์สมบัติเกิดขึ้นมาเป็นโูกเป็นร่างโูกสมบัติอานิสงส์การรักษาศีลเว้นจากความชั่วเป็นผู้ชายก็ตามเป็นผู้หญิงก็ตาม เกิดขึ้นมาเป็นรูปเป็นร่างโรคภัยไข้เจ็บมันมีน้อยรูปสวยรูปงามอายุเยือนยาวนานสิ่งเหล่านี้มาปรากฏกับพวกเรามากน้อยขนาดไหนนี่อาในสงการรักษาสินเว้นจากโทษถ้าเปื่อพวกเรา <c oughs> รูปสวยรูปงามยังไม่สมบูรณ์สุขภาพร่างกายยังมีโรคมีภัยอะไรเหล่านี้ก็แสดงว่าพบก่อนชาติก่อนการรักษาศีลของพวกเราไม่เข้าถึงความบริสุทธิ์มันมีความบกพร่องมันทำให้จิตใจเสาหมองมันเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์จะเป็นหญิงเป็นชาย ความสมบัติที่สมบูรณ์รูปสมบัติความสวยความงามมันจึงมีการบกป้องฉะนั้นมาเมื่อเมื่อมารู้ตัวลักษณะนี่สเนี่ยถ้าเผื่อมีการเกิดได้อีกในพพในภูมิจะเป็นมนุษย์ก็ให้ได้เกิดจากอานิสงการรักษาศีลการทำบุญการทำทานนม่จะดีที่สุด ดีเพราะพวกเราได้ประกอบเอาไว้ได้สร้างเอาไว้เหมือนชาวไล่ชาวนาชาวรั่วชาวสวนถ้าเผื่อไม่ได้ทำไร่ทับนาทำรั่วทำสวนเพศิดผลนั่นอาจจะได้มาจากไหนรายได้ต่างๆถ้าเผื่อไม่มีกิจกรรมกิจการงานถ้าเผื่อไม่มีงานทำรายได้มันจะมาจากไหน จะนั้นการทำไว้เพื่อผลในสิ่งที่เราทำนั้นมันเกิดขึ้นกต่เมืออย่างที่เราเราทำบุญทาทานอานินงสงตรงนี้มันเกิดขึ้นในรูปร่างมนุษย์สมบัติเย่งอยู่ในฐานะของความเป็น ผู้มีบุญมีวาสนาบารมีศักดิ์ศีสินธรรมมีความสำนึกด้านจิตใจจิตใจมีความละอายต่อความชั่วจิตใจมีความกลัวต่อความเป็นบาปมีฮีริธรรมโอตปะธรรมขึ้นชื่อว่าความชั่วขึ้นชื่อว่าความไม่ดีขึ้นชื่อว่าความเป็นบาป มันไม่นึกอยากจะทำมันไม่นึกอยากจะพูดมันไม่นึกอยากจะคิตวาละจิตใจมีความสำนึกอย่างนี้เรียนรู้อย่างนี้เกิดขึ้นมาได้ครับพาะก็เพราะการตั้งใจดีตั้งติดีตั้งใจเพื่อให้ใจตั้งเหมือนอย่างพวกเรากำลังตั้งใจฟัง เทศฟังธทำอยู่ในขณะนี้ตั้งจิตเพื่อให้จิตตั้งพูดเหตุผลเรื่องใดตามหลักศีลธรรมมันมีเหตุมีผลพร้อมพร้อมพอม พ, มพมสมบูรณ์บริบูรณ์สมบูรณ์บริบูรณ์ฉะนั้นจิตใจถ้ามีความละอายต่อความชั่วกลัวต่อความเป็นบาปขึ้นชื่อว่าความชั่วเกิดจากการกระทําทางกายจะมากจะน้อยไม่กล้าทํา มันจะเกิดจากคำพูดจะมากจะน้อยไม่กล้าพูดเกิดจากความเลอกความเช็ดดานจิตใจจะมากจะน้อยขึ้นชื่อว่าความชั่วไม่กล้าเช็ดเจตใจนั้นละ่ะเป็นเจตใจที่แฉมใสที่เนี่ยเป็นเจตใจที่ผ่องใสแต่ยังไม่บริสุทธิ์นะเรื่องบริสุทธิ์กระแฉมใสผอผ่องใสเป็นคนละเรื่องกัน ธนวาราจิตลักษณะเนี่ยจะประโยชน์ในภพใดภูมิใดก็ฟังว่าแจม่มใสพร้อมใสผ่องใสความดีมันสมบูรณ์เกิดขึ้นในลักษณะเป็นสมบัติะนวาราจิตคุณธรรมส่วนนี้พระพุทธเจ้าจึงสอนว่าพบหน้าชาติหน้ามีสวรรค์มเีเทวดา พ บ, บพบภูมิของเทวดาพบภูมิของเทวดาก็หมายก็ว่าพบภูมิที่เกิดความสวยเกิดความงามเกิดความดีที่มองเห็นแล้วชอบใจมองเห็นแล้วต้องการมองเห็นแล้วพึงพอใจอะไรทุกอย่างไม่ขาดตกบกพร่องในความสำนึกความรู้สึกเห็นแล้วดีใจชอบใจอย่างโรบสมบัติสวยงามเหมือนเทบุตรเทวดา วัตถุสมบัติกกลายเป็นความเป็นเทิพของเป็นทิพ ป, ปราสาทราชวังที่อยู่ที่อาศัยกกลายเป็นของเทิพความเป็นเทพนี่นะพอนึกขึ้นมาดูเนึกขึ้นมาเห็นนะี่ะมันสมบูรณ์อันนี้อำนาจคําว่าบุญอำนาจก็ว่าความดีที่พระพุทธเจ้าสอนมวลหมู่มนุษย์ทั้งหลาย ให้มีความยินดีพอใจในทานศิลปวาณาความดีที่เห็นคุณค่าเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์เป็นผู้มีโชคมีลาบมาเจอมาเจอคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีโชคมีลาบฉะนั้นสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าตรัสจะรู้รู้แล้วด้วยพยานอย่างลู้รู้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ รู้ในสิ่งที่เป็นทุกข์เป็นโทษอันใดเป็นทุกข์เป็นโทษสอนมวลหมู่มนุษย์เทวดาอย่าพากันไปชิตอย่าพากันไปทำอย่าพากันไปสนใจพอใจกับสิ่งเหล่านั้นนัถาเทวมนุษย์สานางพุทธโธะกาติพระองค์เป็นศาสดาสอนเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ตรงนี้ตั้งหากนาะขึ้นชื่อว่าชีวิตการเกิดขึ้นมาถ้าเกิดขึ้นมาอยู่ในพบในภูมิคอยอยู่ในพบในภูมิที่เป็นสมบัติถึงจะพบภูมิที่อยู่ในฐานะของความเป็นสมบัติขนาดไหนพระพุทธเจ้าก็ไม่ เพ้อเพลินลุ่มหลงมัวเมาในพบพรมยกตัวอย่างที่ว่าเป็นเทบตรเทวดาเสวยความเป็นเทพพระพุทธเจ้าก็ไม่ให้เตะไม่ให้คล้องอยู่จวนนั่นนะเสวยความเป็นเทพานสงฆ์ความเป็นเทพกว่าเจียงโยมันยังมีส่วนบกพัง มันยังมีส่วนที่ยัให้ทุกข์ให้โทษอยู่อะไรที่เป็นทุกข์เป็นโทษบกพังคือหมดอาณาสงผลความดีหมดอานาสงของความเป็นบุญเจียใจที่เคยถะอไว้ความเป็นเทพนั่นละ่ะ กระเดีกเวียนลงมาเวียนไหวตายเกิดในพพน้อยพบใหญ่ในโลกมนุษย์อีกมันไม่ใช่เป็นของที่แน่นอนที่ไว้ใจได้แต่นั้นมาเป็นมนุษย์เอกถัาเผื่อไม่ได้มาเจอมาเจ อ, อคำสอนของพระพุทธเจ้าจิ่แรงลิดกิเลสโลภโกรธหลงตัณหาที่มีในใจนั่นนหะ ไปทำความชั่วเหมือนสัตว์เดรัจฉานเหมือนเปรตเหมือนผีมันเกิดจะไปตกนรกอเวจีทนทุกข์ทรมานฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงไม่ได้สอนให้ติดอยู่ค้องอยู่ในภพภูมิของสวรรค์พระพุทธเจ้าจึงเห็นเป็นโทษสวรรค์นในเป็นเทบุตรเทวดามันมีโทษ โทษเพราะการติดการข้องยินดีพอใจพอแดงนิดอำนาจจิเล็ดโลภโกนหลงนี่แหละถ้าหมดอายุความเป็นบุญนานาตรงนั้นมันจะกลับเป็นโทษพอแงดงเนตโลภโกนหลงมันยังมีในใจอยู่กลับมาเกิดเอกจะรู้ได้ยังไงกลับมาเกิดดีเกิดถ้านึกถึงความดีได้ก็ ย, ยังชัว่ว ถ้านึกถึงผลการกระทำที่มันผิดศีลผิดธรรมผิดไม่บทกฎหมายที่น่นึกถึงผลการกระทำตรงนั้นน่ะนำให้จิตใจไปตกทุกข์ด้อยากเป็นเปรดเป็นปีเป็นสัตว์นกเป็นสัตว์ติลจานแต่นั้นพระพุทธเจ้าจึงยกภาษาความสำเนึจการเข้าใจแบบธรรมชาติถหาเห็นเป็นโทษ ในรูปร่างของความเป็นมนุษย์แล้วให้สิ่งใดที่ทําให้มันหลงรูปร่างความเป็นมนุษย์โดยเฉพาะแล้วการบานการบรรพชาอุปสมบทอุปชายจารทุกองนั่นแนหะบรรพชาสามเณรอุจสมบทเป็นพระปิสุสธิ์สงสามเณร ฉันบอกกรรมฐานห้าให้เรียนกรรมฐานห้าเพื่ออะไรอ่ะเนี่ยเพื่อเห็นทุกข์เห็นโทษของแรงเล็ดของจิเลตโลภกุนหลงกรรมคกุลห้าไปเย็นดีในรูปเสียงจินลดสัมผัสอารมณ์เกิดจากการฝึกนั่งสมาธิ มาฝึกนั่งสมาธิให้สันใจเป็นสมาธิตั้งมัน่นได้รับความสุขได้รับความสบายแบบธรรมชาติเกิดจากความสงบความสุขเกิดจากความสงบไม่เหมือนความสุขประเภทเรื่องกามมาคุณท่านจังวัด น, นัดเทสันติประลังสุ ข, ขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบเป็นสมาธิไม่มีอีกแล้ว แต้นั้นเปลี่ยนความสุขจากการมาขุนห้ามาอยู่กับการฝึกสมาธิให้ใจมีความสงบเมื่อใจมีความสงบมันเป็นความสุขแบบธรรมชาติสินี่ยและมองความหลงของมนุษย์มนุษย์หลงอะไรการบวชเข้ามายังโยกฐานะ บกกรรมฐานห้ากรรมฐานห้าเจสาโลมาหน้าขาทันตาตาโจตาโจทันตานาขาโลมาเจสาตรงนี้เป็นแนวทางที่พวกเรารับรู้มาแล้วจากอุปชาจารย์นำมาพิจารณา ความหมายเจสาพวกเราแปลว่าผมโลมาแปลว่าขนที่มันมีในตัวเรานะหน้าขาแปลว่าเล็บทันตาแปลว่าฟันตาโจแปลว่าหนังผมขนเล็บฟันหนังเนี่ย โลกมนุษย์ให้ความสมมุติว่าเป็นผู้เป็นคนแต่งให้สวยให้งามเป็นของสวยของงามขึ้นมาได้ฉะนั้นนะพระพุทธเจ้าจึงสอนในย้อนย้อนกับตาจดันตาหน้าขาโลมาเจสาย้อนกับ ย้อนกลับว่าความสมมุติค่าที่ยมแบบทางโลกว่าเป็นของสวยของงามย้อนกลับว่ามันไม่งามมันเป็นของสสขปรกย้อนกลับถ้าเราถอดวาราจิตออกจากสมาธิถ้าใจเป็นสมาธิมีความสุข มันงามยังไงผมเต็มอยู่ศีศสัดทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเป็นของสะอาดยังไงเป็นของสวยยังไงลองนึกเอาผมยืดอยู่ศีศสัดจะเป็นผมผู้หญิงหรือผมผู้ชายเอามาผสมอาหารเราเราฉันได้ไหมเราทานได้ไหม ถ้าเป็นของสวยของงามของสะอาดมันก็นทานได้ไม่ใช่หรือยิ่งที่เกิดข้องความเป็นผม น, นั่นะมันเกิดจากรากผมเกิดจากผิวหนังรากผม น, นั่นะเอาอะไรมาเลี้ยงผมเอาน้ำเลือดน้ำเหลือง <c oughs> ที่มันมีอยู่ <c oughs> ในร่างกายที่หนังห่อห้มอยู่นั่นแหะมาเลี้ยงผมแต่นั้นหละผมถ้าไม่ได้ซักถ้าไม่ได้ล้างมันจึงมีกลิ่นเหม็นข่าวหน้าเบื่อหน้าอับอายขายหน้าทนทุกข์ทรมานมันเกิดขึ้นมาได้เพราะอะไร กับพอดลากผมนั้นมันไปเอาน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเหงื่อน้ำไข่เขามาเลี้ยงเส้นผมให้มันยาวขึ้นยาวขึ้นยาวขึ้นถ้าเผื่อเราพิจารณาตามความเป็นธรรมชาติ <c oughs> ที่พระพุทธเจ้าสอนว่ามันไม่ใช่ของสวยไม่ใช่ของงามเพียงแค่เป็นวัตถุ เกิดขึ้นจากบนสีสะขนของเราก็เหมือนกันเป็นวัตถุเหมือนหญ้าต่างๆเกิดขึ้นในแผ่นดินผมขนมันเกิดขึ้นในหนังที่มัเป็นธาตุดินไม่มีตรงไหนที่จะให้มีความสะอาดมีความสวยความงามเกิดขึ้นมาได้ถ้าเราเข้าสมาธิเพิเจนานา ตามความเป็นจริงลักษณะเนี่ยมันจะเห็นโทษเด็ดเนี่ยเห็นโทษของแรงเล็ดตัณหาความทะเยอทะยานอยากไปหลงในรูปในเสียงในกลิ่นในรสจะเป็นรูปเทปเป็นเทบุตรเดวดาจะนนั้นพระพุทธเจ้าจึงไม่ได้โยนอยู่จะเพียงแค่เป็นเทบุตรเดวดาให้ใช้วาราจิต พิจิดาตามจะพระตามความเป็นจริงจะพาวธรรมส่วนนี้มันแต่มมันมีอยู่รูปร่างของมนุษย์คนเราแต่การพิจารณาอย่างนี้คือหน้าที่ของพวกเราชาวพุทธนาโดยเฉพาะนักบวชจะเป็นพระสงฆ์องค์แนนเป็นแม่ขาวนางชีวาลาเจตมันไม่ได้ยุ่งวุ่นวายเหมือนชาวบ้าน วาลาจิตมันพ้นออกจากกามะจิเลตกามมาัตหาอารมณ์เพศ ท, ท่านจึงให้พิจารณาแรงเล็ดของศีลของสมาธิพิจารณาอาธุพะกรรมฐานในรูปร่างกายกรรมฐานห้าอย่างดีว่าถ้าเผื่อพวกเรารู้จักแนวทางลักษณะนี้สิ่งเหล่านี้มันมีอยู่กับเราด้วเนี่ยแต่การทำความเพียนยืนเดินนั่งนอนจะอยู่ที่ไหน ตามกติก บ, บีที่เดินจงกลมมีที่นั่งสมาธิงานของพวกเราทำที่เนียทํำในสิ่งที่เป็นอยู่มีอยู่ม่ได้บกพ่องอะไรมันก็เป็นไปได้แ้วเกิดจากการกระทำมันก็เป็นไปได้แต่เพราะเราทำเราเรียนมันก็รู้นั่นเดียวถ้าเราไม่ทำมันจะเป็นเหนือถ้าเราทำมันก็เป็น ยังทําให้ใจมีความจงหวัเป็นสมาธิมันก็เป็นสมาธิขึ้นมาได้ทําให้ใจเกิดเป็นสติปัญญามันก็เกิดสติปัญญาขึ้นมาได้นี่เกิดจากการทําการฝึกของพวกเราให้พานเข้าใจความหมายการฟังการฝึก <c oughs> เอาอธิบายธรรมะภาคปฏิบัติอธิบายไปอธิบายมาก็อย่างว่านะ ตามปกติแล้วก็ประมาณสามทุ่มเตษนึตว่าเป็นเวลาที่เหมอะแจกการเลิกเปลี่ยนในเรื่บวชแต่วันนี้ก็ได้เวลาตรงนั้นแล้วเห็นว่าเป็นเวลาที่พอสมควรเลิกเปลี่ยนในบทกองไขของเร า, เาที่นี่พวกยยมเลิกไปก่อน